ถ้าหากว่าจะทบทวนสักนิดหนึ่งเนี่ยนะการเรียนพระพุทธพจน์ทั้งหมดของเราเนี่ยเราสงเคราะห์ลงเทศนาหาระคือสามารถเอามาจำแนกโดยอัฏหกประการได้ไหมคือโดยอสศาธาอาธีนวะโดยนิสรณะโดยผลอุบายและอานัตนนะพรพุทธพจน์ที่ที่เราฟังเราอ่านเราเรียนในพระไตรปิฎก พุทธพจน์เหล่านั้นเราก็มาดูว่าพุทธพจน์ตรงนี้แสดงอะไรแสดงอัาธาหรือแสดงอาทีนวะหรือแสดงนิสระณะหรือแสดงผลแสดงอุบายหรือแสดงอนัตนนะแล้วก็ถ้าหากว่าวิจเข้าใจแบบนั้นได้ก็เอามาวิจัยดูวิจัยโดยอัฏา11ประการในวิจัยะหาระวิจัยโดยบทโดยคำถามโดยคำตอบ วิจัยโดยคำหน้าวิจัยคำหลังวิจัยความสมควรวิจัยอัศาธาอาธีนวะนิสรณะผลอุบายและอานัตพันการที่เอาพุทธพจน์มาวิจัยโดยอัฐสิบเอ็ดประการได้นี่แหละเรียกว่าวิจยะหาระ ในเมื่อวิจัยเสร็จแล้วก็หาข้อยุติยุติหาระคือหาความสมควรและไม่สมควรว่าถูกต้องหรือไม่ถูกต้องสอดคล้องต่อคาสอนหรือไม่สอดคล้องต่อคา ส, ส, สอนเป็นต้นทั้งหมดเนี่ยนะเาเรียกว่าเอาหาหายุติให้ได้หาข้อยุติให้ได้หายุติคือความสมควระนะถ้าไม่ยุติแสดงว่าไม่สมควระนะแสดงว่า หาความสมควรและความไม่สมควรทั้งโดยสับโดยพยัญชนะทั้งโดยอัฏฐะโดยเนื้อความแห่งพระพุทธพจน์เมื่ อ, อศึกษาพระพุทธพจน์นั้นหาข้อยุติได้ก็มาสาวหาเหตุใกล้ของพุทธพจน์แต่ละอย่างว่าพุทธพจน์เหล่านี้เนี่ยนะคำนี้ถ้าโดยอัฏฐะหมายถึงสิ่งนี้แล้วสิ่งนี้มีอะไรเป็นเหตุใกล้นะ มีอะไรเป็นเหตุใกล้เช่นว่าเมื่อกล่าวถึงกุศลกุศลมีอะไรเป็นเหตุใกล้บอกมีโยนิสโสมนัสิการแล้วโยนิสโสมนัสิการมีอะไรเป็นเหตุใกล้การที่สามารถสาวสาวสา ว, สาวหาต้นเหตุของสิ่งเหล่านี้ได้นี่แหละเรียกว่าประทัดฐานะหาระเมื่อวิจัยอย่างนี้แล้วเนี่ยนะบางคนก็บอกว่าเอ๊่ถ้อยคาเหล่านี้มันไม่สมบูรณ์ไม่สมบูรณ์อะ น, นะเอกมหิ วุตตมีเอกระทำเมเยธำมาเอกรลักษนาเกจิตพันลักณะหาระบอกว่าถ้าพูดอันหนึ่งอันที่เหลือก็เช่ากับพูดแล้วเช่นถ้ายกจิตเจตสิกก็ชื่อว่ากล่าวแล้วถ้ายกรูปหนึ่งสมุทฐานสมุทฐานที่เหลือก็ชื่อว่ากล่าวแล้วถ้ากล่าวอากุศลเจตสิกตัวหนึ่งอกุศลที่เหลือทั้งหมดเชื่อว่ากล่าวแล้วถ้ากล่าวสติสักอย่างเดียวคำเดียวโพธิปัจขยธรรมทั้งหมดเชื่อว่ากล่าวแล้วพันท่าก็เรียกว่ารู้กันโดยลักษณะเนี่ยนะรู้กันโดยพวก ถ้าพูดอันนี้มาปั๊บพวกนี้อยู่กลุ่มไหนพวกไหนพักไหนก็รู้แล้วเนี่ยนะอันนี้เรียกว่าลักขณะหาระหาพวกให้ได้นั้นถ้าพูดแต่สิ่งเดียวเนี่ยนะสิ่งที่เหลือก็ชื่อว่าแสดงแล้วเนี่ยนะเพราะว่าแต่ละคำนี้ชื่อว่าเป็นตัวแทนพยัญชนะพุทธพจน์แต่ละอย่างก็เป็นตัวแทนมาถ้าหากว่ามีตัวแทนมาอย่างนี้ถ้ายกคนนี้มาเป็นตัวแทนปับบ๊บบริบกลุ่มของเขาชื่อว่าอะไรนะ เชื่อว่ามาทั้งกลุ่มมาทั้งหมดแล้วเนี่ยนะทีนี้เมื่อหาหมวดหาหมู่หากลุ่มพูดถึงอย่างนี้ได้ก็มาแบ่งเจตุพยูหะคือมาจำแนกโดยวิเคราะห์จำแนกโดยนิรุรติวิเคราะห์อธิบายคือความประสงค์ว่าผู้แสดงเนี่ยท่านประสงค์อะไรท่านต้องการอะไรท่านอยากให้เรารู้อะไร แล้วต้นเหตุของการเอามาแสดงนี่คืออะไรแล้วสิ่งที่แสดงเชื่อมโยงไปหาเรื่องอื่นได้ไหมอันนี้แหละลักษณะของจจตุปยุหะหาระเนี่ยนะว่ามีการเชื่อวิเคราะห์วิเคราะห์ะสิ่งนี้ดูซิว่าสิ่งนี้คืออะไรเมื่อวิเคราะห์เสร็จแล้ว เขาต้องการอะไรแล้วเราต้องการอะไรผู้แสดงต้องการอะไรผู้ฟังต้องการอะไรแล้วสาเหตุของการแสดงสาเหตุของของคำสอนเหล่านั้นและเชื่อมโยงไปหาเรื่องเรื่องอ น, นะเรียกว่าเชื่อมโยงอนุสนิทก็คือจัดตั้งเครือข่ายนะเ <c oughs> ครือข่ายของคำสอนว่าเชื่อมโยงไปหาคำสอนที่ใดหมวดใดหมู่ใดเป็นต้นเมื่ อ, เ, อเข้าใจขยายคำสอนได้อย่างนั้นก็อาวัตะก็คือพลิก หรือหมุนหมุนเพื่อให้เห็นอีกสิ่งที่เรียกว่าตรงกันข้ามเนี่ยนะอ่นัเรียกว่าอวัตตะหาประธานหาประธานของสิ่งที่พูดแล้วว่าพลิกกลับจากกุศลและอกุศลเชื่อมโยงอ่นะเชื่อมโยงคําสอนว่าคําสอนเหล่านี้มาจากอะไรแล้วคําสอนเหล่านี้เป็นเหตุเป็นผลต่อไปอย่างไรมองในสิ่งที่ตรงกันข้ามดูสิเนี่ยนะสิ่งที่ตรงกันข้ามกับคําสอนเหล่านี้ดูสิมันว่า ม, มันคืออะไรแล้วสิ่งเหล่านั้นเนี่ย เชื่อมโยงเหตุผลกันโดยอย่างไรนะก็เรียกว่าอาวตตเพราะว่าถ้ากล่าวอาวตตนั้นนะถ้ากล่าวถึงการเจริญกุศลก็แสดงว่าถึงแสดงถึงการละอกุศลการเจริญกุศลมีอะไรเป็นเหตุใกล้แล้วการละอกุศลมีอะไรเป็นเหตุใกล้เนี่ยนะแล้วอกุศลอะไรเมื่อละอย่างหนึ่งแล้วอะไรมั่งที่เหลือชื่อว่าถูกละทละสิ่งนี้แล้วชื่อว่าละสิ่งใดๆต่อไปเนี่ยนะเสร็จแล้วเมื่อพลิก ได้อย่างนั้นแล้วก็มาวิพัตน์จำแนกเนี่ยนะจำแนกจำแนกสิ่งเหล่านั้นโดยทำจำแนกโดยภูมิจำแนกโดยประทัศฐานจำแนกโดยนามโดยวัตถุโดยสาธารณะและอะสาธารณเนี่ยนะก็เอามาจำแนกนะโดยโดยหลักการต่างๆเมื่อจำแนกได้อย่างนั้นก็มาพลิกเนี่ยนะพลิกธรรมะฝ่ายกุศลให้เห็น ฝ่ายอากุศลได้มันชัดๆว่าถ้าพูดกุศลตัวนี้เนี่ยแสดงว่าอากุศลอะไรถูกละออกไปเช่นถ้าพูดขาวก็พลิกไปหาว่าหมายถึงพูดดำนะขาวหมดเลยก็แสดงว่าไม่เจือด้วยดำใช่ไหมดำหมดเลยก็แสดงว่าไม่เจือกับขาวถ้ามืดแสดงว่าไม่เจือกับสว่างถ้าสว่างก็ไม่เจือกับความมืดนะการที่ปริวัิปริวัิก็คือพลิกกลับแบบนี้ได้นะก็พยายามพลิก พลิกคล้ายๆกับอวัตตานี่แหละพลิกเสร็จก็ต้องเชื่อมโยงหาเหตุหาผลเสร็จแล้วเมื่อพลิกอย่างนี้ก็ถ้อยคํามีอะไรใช้แทนกันบ้างนะนะพุพทธพจน์ทั้งหลายมีอะไรใช้แทนกันบ้างเรียกว่าเววัจนะถ้อยคําที่ใช้แทนคําไวัยพจน์ถ้อยคําที่ใช้แทนกันทีนี้นนทีนี้เมื่อจําแนกไวัยพจน์ได้ตามนั้นแล้วอ่ะพระพุทธเจ้ า, าบัญญัติอะไรกันแน่ในสิ่งเหล่านั้นเป็นบัญญัติต่างๆบัญญัติอะไรบัญญัติเป็นสมถาวิปัสนา ที่เรียกว่า น, นิเคปะบัญญัติบัญญัติที่พระพุทธเจ้ายกขึ้นมาแสดงเป็นอยู่ในกลุ่มบัญญัติเหล่าใดบ้างเมื่อรู้บัญญัติอย่างนี้แล้วก็โอตรณะอย่างลงเข้าสู่อย่างลงโดยขันโดยอายตนะโดยธาตุโดยอินทรีย์โดยปฏิจจสมุปบาทอย่างลงโดยโพธิปักจยธรรมเป็นต้นนี่เรียกว่าโอตรณะหาระเป็นการอย่างลงคําสอนเหล่านั้นทั้งหมดเมื่ อ, อย่างลงคําสอนเหล่านั้นได้ก็มาชําระดู มาชำระตรวจสอบว่าความรู้ความเข้าใจของเราเนี่ยถูกต้องถูกต้องทั้งหมดไหมเป็นไปตามหลักคำหลักคสอนไหมแล้วก็ความเข้าใจของเราเนี่ยทั้งโดยคำถามโดยคำตอบครบถ้วนสมบูรณ์ดีหรือเปล่าเนี่ยนะคำถามเนี่ยครบถ้วนดีไหมเมื่อถามไปแล้วตอบได้ได้ดีไหมตอบถูกต้องไหมตามหลักการไหมเรียกว่าโสธนะการชาระเนี่ยนะการชำระหรือเหมือนอะไรนะ เหมือนว่าก่อนจะออกจาก บ, บ้านก็ชําระตรวจสอบร่างกายตัวเองดูว่าพร้อมจะออกหรือยังเป็นต้นอันนี้พุทธพจน์ก็เหมือนกันเนี่ยนะเขาก็ชําระดูว่าความรู้ความเข้าใจของเราถูกต้องเป็นไปตามคําสอนเป็นต้นไหมเสร็จแล้วเมื่อชําระเรียบร้อยแล้วก็ตั้งไวอย่างไงตั้งไว้ว่าสิ่งเหล่านี้ยังแบบสามัญหรือแบบพิเศษเนี่ยนะเรียกว่าอธิษฐานเรียกว่าตั้งไว้ยังไงยังอยู่ในกลุ่มขยายแล้วหรือว่ายัง ไม่ได้ขยายเนี่ยนะเป็นเอกตตะหรือว่าเวมัตะได้รับการขยายหรือได้ยังไม่ขยายเรียกว่าเอามาทั้งก้อนเอามาทั้งดุนหรือว่ามีการซอยมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะอะไรนะถ้าเป็นมะม่วงบอกว่ามะม่วงเอามาทําเป็นชิ้นๆหรื อ, อยังหรือไม่เอามะม่วงมาให้ทั้งลูกนะนะเรียกว่าพวกทั้งลูกหรือว่าปอกมาเป็นชิ้นๆแล้วเป็นตน้นเสร็จแล้ว ก็มาพิจารณาถึงบริขารบริขารของสิ่งเหล่านั้น <c oughs> คือเหตุและปัจจัยของสิ่งเหล่านั้นเนี่ยนะพูดถึงว่าอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นปัจจัยอะไรคือตัวสําคัญอะไรคือสําคัญเป็นหลักอะไรสําคัญเป็นลําดับรองลงไปอะ ไ, อ, อะไรคือตัวใกล้อะไรคือตัวไกลอะไรคือปัจจัยใกล้อะไรคือปัจจัยไกลก็สามารถที่จะวิเคราะห์ вот ram, บริขารบริขารของสิ่งเหล่านั้นนะนี่พอ สา ม, มารถหาเหตุหาปัจจัยได้ทั้งหมดก็มาสรุปมาสรุปโดยสมาโรปนะหาระยกธรรมะขึ้นแสดงด้วยหลักสี่ประการสอบสวนว่าป ธ, ธาฐานเหตุใกล้ของสิ่งเหล่านั้นเนี่ยถูกต้องดีหรือเปล่าเนี่ยนะเววัจนะคำพูดที่ใช้แทนเป็นยังไงแล้วก็ได้รับการเจริญอะไรคือภาวนาเมื่อภาวนาแล้วละอะไรบ้างเพราะว่าคาสอนนี้เป็นคาสอนที่มุ่งภาวนาและ เพื่อการละการภาวนาก็เพื่อการละการละก็เพื่อการภาวนาเนี่ยนะการละอกุศลเพื่อจะได้เจริญกุศลการเจริญกุศลเพื่อจะได้ละอะกุศลทั้งหลายเนี่ยนะทนผู้ที่ศึกษาเนติปกรณ์โดยเฉพาะกันแรกกันแรกเรื่องแรกกลุ่มแรกคือกลุ่มว่าด้วยหาระวิธีกำจัดความหลงความสงสยัยความเข้าใจผิดถ้าเข้าใจหลักการหลักการพิจารณาทั้ง16หัวข้อ แล้วเอาไปวิเคราะห์พระพุทธพจน์ก็จะทำให้เกิดความรู้เกิดความเข้าใจฟังทำแต่แต่น้อยก็สามารถจะขยายอย่างพิสดารได้เหมือนเช่นกับพระมหากัจจยนะพระมหากัจจยนะนั้นท่านฟังแต่น้อยแล้วท่านก็ขยายกระจายได้อย่างพิสดาร น, นะท่านกระจายได้อย่างไพเราะได้อย่างลึกซึง้งแล้วก็ผู้ที่ฟังทั้งหลายก็สามารถที่จะปฏิบัติตามแล้วถึงความพ้นทุกข์ได้ นี่ก็มาขึ้นกันที่สองเรียกว่านยยสมุทฐานหรือว่าเหตุของนย ะ, ะก่อนที่จะเรียนนยยสมุทฐานถ้าหากว่าไปดูเนติเนติสารทธิสารท ธ, ธ, ธีปณีเนี่ยนะจะทำให้เข้าใจลักษณะของอนยะทั้งห้าได้ชัดเจนยิ่งขึ้นเปิดไปหน้า266 นยะกันเนี่ยนะนยะกันก็คือกลุ่มว่าด้วยนยะนยะในที่นี้ก็หมายถึงนยะห้านันทิยาวัตนายติปุคละในสีหวิกีลิตะในที่สาโลจนะในและก็อังกุสะในในัยยะคืออะไรก็คือวิธีที่ให้รู้กุศลธรรม เอาข้าไปวิธีให้รู้อกุศ ล, ลธรรมอันเศร้าหมองว่าอากุศลเนี่ยมันก็เศร้าหมองอะนะสังกิเลสและกุศลอันหมดจดคือโวทานแล้วมาจําแนกกุศลอกุศลเหล่านี้โดยเป็นส่วนๆเพราะฉะนั้นเขามีวนจะนะว่าวิธีใดย่อมให้รู้สังกิเลสและโวธรรมอ่โวทานธรรมทั้งหลายโดยจําแนกออกเป็นส่วนๆการจำรู้วิธีจําแนกทั้งกิเลสและ ความหมดจดได้อย่างนี้เรียกว่านัยยะวิธีนั้นนะเรียกว่านัยยะหรืออีกในหนึ่งเขบอกว่าผู้แสดงธรรมทั้งหลายนําไปจําแนกอัฏฐะของพระสูตรก็คือนําเอาวิธีให้รู้จกักอกุศลที่เศร้าหมองกุศลที่หมดจดเนี่ยนะเอาแล้วเอาไปจําแนกสามารถจะขยายได้เพราะว่าผู้แสดงธรรมถ้าไม่มีนัยยะก็ไม่สามารถที่จะแสดงธรรมได้มีครั้งหนึ่งพระศาอ่าพระพุทธเจ้าถามปัญหาภาษารีบุตร พระสารีบุตรไม่รู้นัยยะเลยว่าพระพุทธเจ้าประสงค์อะไรกันแน่เมื่อไม่รู้นัยยะเป็นต้นก็ไม่สามารถที่จะแสดงได้พระพุทธเจ้าถาม3มครั้งพระสารีบุตรนิ่งอยู่ทั้งสาครั้งนะขนาดว่ามีปัญญาขนาดพระส า, ารีบุตรก็ยังตอบไม่ได้ก็เพราะว่าไม่เข้าใจในัยยะนะพอพระพุทธเจ้าให้ในัยยะนิดเดียวเท่านั้นแหละพระส า, ารีบุตรก็สามารถที่จะแสดงพระธรรมเหล่านั้นได้ทันถ้าพระส า, ารีบุตรรู้นัยยะ ใครถามทั้งวันทั้งคืนท่านก็สามารถที่จะตอบได้ทั้งวันทั้งคืนเป็นต้นเ น, นี่ยนะอันัยยะนี่สําคัญมากทําให้ผู้แสดงธรรมทั้งหลายเอาไปจําแนกเนื้อความของพระสูตรนะสามารถเอาไปจำเอาไปแสดงเอาไปจําแนกเอาไปกระจายขยายความได้การเอาไปแสดงไปจําแนกไปขยายความโดยที่ไม่ผิดวัตถุประสงค์ของพระพุทธเจ้าเป็นไปตามคําสอนทุกประการ นยะนั้นเนี่ยนะนยะเนี่ยถ้าเขาบอกว่านยะเนี่ยจริงๆโดยศัพท์เนี่ยมีหลายอย่างด้วยกันนยะในพระไตรปิฎกนี่มากจริงๆพระไตรปิฎกมี 84% ดหมพันพระธรรมขันธ์ก็เท่ากับ 84% ดหมนพันนยะนั่นแหละมันนยยะนี่มันมากมายเหลือเกินแต่ถ้าจะว่าแล้วตามเนติปกรณ์นยะก็คือนยะวิธีที่ให้รู้กุศลวิธีให้รู้อกุศลที่เศร้าหมองให้รู้จากกุศลที่หมดจด แล้วก็เอากุศลอกุศลเหล่านี้มาแจกเป็นส่วนๆออกไปแล้วมามุนโดยรอบพวกนี้เรียกว่าในายะเรียกว่าโดยสามมันก็เป็นอย่างนี้แล้วนับอย่างเดียวแต่ถ้าโดยลักษณะพิเศษเฉพาะตัวเฉพาะตัวมีอยู่หประการด้วยกันคือนันทิยาวัตนัในติปุคละในสีห์วิกีลิตะในทิสาโลจนะในและอังกุสะในที่พระมหากัจจยนะกลา่าวไว้ใน นิเทศว่าปัทโมนันทิยาวัตโตทุติโยจะติปุคโลสีหาวิกิริโตนามะตติโยนยลัญชโกที่สาโลจะนะมาหังสุจะตุทังนยมุตตะมังปัญจโมอังกุโสนามสัพเพปัญจะนยาคาตาพึงทราบ ว, ว่านยะทั้งปวงทั้งหมดในเนติปกรณ์มีห้านยะด้วยกันคือนยะที่หนึ่งเรียกว่านันทิยาวตัตเ นัยยะที่สองคือติปุก ค, คละนัยยะที่สอันสามารถนำมาซึ่งอัฏฐะแห่งพระบาลีชื่อว่าสีหาวิกิลิตะท่านกล่าวนัยยะที่สอันประเสริฐว่าทิสาโลจนะนัยยะที่หชื่อว่าอังกุสะนัยยะทั้งห้าทวนอีกครั้งคือนันทิยาวัตตะติปุก ค, คละสีหาวิกิลิตะทิสาโลจนะและอังกุสะนัยยะ นัยยะแรกเลยคือนันทิยาวัตนายนันทิยาวัตนายแปลว่านัยยะที่มีมูลบทอยู่4ประการนันทิยาวัตตานี่มีมูลบท4ี่ประการนันทิยาวัตนายเนี่ยนะคือนัยยะที่มีการเวียนธรรมะฝ่ายสังกิเลสฝ่ายอกุศลเนี่ยนะนันทิยะเนี่ยพูดนันทิยาวัตนายเนี่ยยกอกุศลมาแค่สองอย่างคือตันหาและอวิชชา เป็นการเวียนฝ่ายบาปอากุศลยกสองข้อหลักพอละคือตันหากับอวิชชาแล้วกล่าวกุศลฝ่ายโวทานธรรมด้วยอํานาจสมถะและวิปัสสนาเพราะฉะนั้นฝ่ายดียกมาแค่2 อ, อย่างคือสมถะกับวิปัสสนาฝ่ายเลวฝ่ายบาฝ่ายอากุศลยกมาแค่2คือตันหาและอวิชชาเพราะนั้นก็เรียกว่ามูลบท4ประการกุศลมูล2องกุศลมูลสองอ อกุศลมูลคือตันหาและอวิชากุศลมูลคือสมถะและวิปัสนาเพราะนั้นนันทิยาวัตนัยกล่าวถึงมูลบท4ประการเนีย่ยนะมูลบท4ประการก็คืออ่านะกุศลสองอกุศลสองมันมีวั จ, จนธรรมการให้รู้เนื้อความว่าการเวียนธรรมะฝ่ายสังกิเลและธรรมะฝ่ายโวทานทานนี้มีอยู่ดุจ ด, ดอกพุทธ ที่มีกลีดเวียนกันไปเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่านันทิยาวัตนายเนี่ยนะนันทิยาวัตตาก็คือเวียนแบบแบบดอกไม้อะนะหรืออีกในหนึ่งก็บอกว่าการเวียนตันหาที่ชื่อว่านันทีหรือความปรามโมดวีมีอยู่ในฝ่ายอยู่ในธรรมะฝ่ายสังกิเลและธรรมะฝ่ายโวูทานเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่านันทิยาวัตตาก็คือการเวียนอะนะเอาเอาเอาธรรมะฝ่ายดีและฝ่ายไม่ดีมาเวียนเพื่อให้ ให้เห็นความเป็นไปทั้งสายกุศลและอะกุศลนั่นเองนันท่ยาวตตาในนี้มีลักษณะการนำอัฏฐะของสูตรอันเป็นสังกิเลตปัจขะฝ่ายสังกิเลตหมายคือว่าฝ่ายแห่งความเศร้าหมองคือตันหาและอวิชชาแล้วก็การนำเอาอัฏฐะของประสูตรอันเป็นฝ่ายอันเป็นโวทานปัจขะคือฝ่ายฝ่ายโวทานเนี่ยคือผ่องแผ้วนะหมดจด หมายถึงสมถะและวิปัสนาการเอาตัณหาอาวิชชาสมถะวิปัสนาไปสงเคราะห์ลงในสัจจะสี่พันสรุปว่านันทิยาวัตนัยก็คือการเอากุศลอกุศลไปสงเคราะห์ลงในสัจจะสเอาตัณหาเอาอาวิชชาเอาสมถะวิปัสนาไปประมวลลงโดยสัจจะสี่ตามที่พระมหากัะจายนะกล่าวไว้ในนิเทศว่า ตันหันจะอวิชชมปิจะสมะเถนวิปัสนายะโยเนติสัจเจหิโยชยิตตวาออยังนโยนันทิยาวัตโตสังวรร น, นาคื อ, ค, อ, ค, อคือการขยายความโดยพิเศษที่นำตันหาและอวิชชาเข้าไปอยู่ในฝ่ายบาปอกุศลนำสมถะและวิปัสนาฝ่ายกุศลฝ่ายโวทานเอาทั้งสมถะวิปัสนาเอาทั้งตันหาอวิชชา มาประกอบโด ย, ยสัจจะสประการเรียกว่านันทิยาวัตนยัยอันนันทิยาวัตนัยก็คือการเอามูลบท4ประการคืออวิชาตันหาสมถะวิปัสสนามาประมวลประกอบลงสัจจะสี่นี่แหละเห็นไหมส่วนเขายกตัวอย่างยกตัวอย่างในมงคลสูตรปูชาจะปูชนิยานังการบูชาบุคคลที่ควรบูชาเนี่ยนะมามุนให้ดูโดยนันทิยาวัตนัยว่า การบูชาเนี่ยมีอยู่แบ่งเป็นสองอย่างคืออามิตรบูชากับธรรมะบูชาหรือที่เราเรียกว่าปฏิบัติบูบชาเนี่ยนะการบูชานี่เป็นสังขารถ้าหากว่าเราพูดสังขารก็หมายเอาก็ควรถือเอาอาวิชชาที่เป็นตัวเหตุของสังขารด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อพูดอวิชชาก็ถือว่าเป็นเอาตันหาที่ประกอบกับอวิชชาแล้วเมื่อหมายเอามูลบทคืออวิชชาและตันหาก็ควรถือเอาอากุศลธรรม ที่อยู่ฝ่ายเดียวกับอวิชชาและตันหาเพราะว่าหัวจักของสังสารวัตมีอวิชชาและตันหานำหน้ามันเมื่อพูดอวิชชาและหัวหน้าที่เป็นหัวหน้าแถวหัวหน้าขบวนบริวารบริขารที่ติดตามมาก็ถือว่ากล่าวเป็นพร น, นี่นะอันนี้ก็คือฝ่ายอกุศลทีนี้ถ้าฝ่ายกุศลละสมาธิมีอยู่ในองค์ธรรมมต้องบทว่าปูชาปัญญาก็มีอยู่ในองค์ธรรมที่ชื่อว่า บูชาเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าหากว่ากล่าวสมาธิคือคืออมิตรบูชากับปฏิบัติบูบชาไอตัวบูชาเนี่ยต้องบูชาด้วยอานาจของกุศลกุศลเหล่านั้นก็คือสมถะและวิปัสสนาสมาธิและปัญญาที่อยู่ในกุศล น, นั้นเพราะฉะนั้นเมื่อหมายเอามูลบทคือสมถะวิปัสสนาก็ควรถือเอากุศลธรรมที่อยู่ฝ่ายเดียวกันกับสมถะและวิปัสสนามาด้วยถือเอากุศลธรรมทั้งหลายมาด้วย ทีนี้สรุปว่าเมื่อกล่าวเอามูลบทคืออวิชชาและตันหาอากุศลธรรมทุกอย่างที่มีอวิชชากับตันหาเป็นบริขารบริวารก็ชื่อว่านํามาด้วยแล้วถ้ากล่าวสมถะและวิปัสสนากุศลธรรมที่อยู่ฝ่ายเดียวกันกับสมถะและวิปัสสนาก็ชื่อว่านํามาหมดแล้วเสร็จแล้วเอาทั้งอวิชชาตันหาสมถะวิปัสสนาเหล่านั้นมาสงเคราะห์ลงใน สัจจะสี่ประการนะเห็นว่าตัณหาและอวิชชาอากุศลที่เหลือกุศลจิตตุบาสาสวะนะกุศลจิตตุบา ท, ที่เป็นสาสวะก็ดีเป็นสมุสมทยสัจจะอะไรก็ตามที่เป็นเหตุแห่งวัตตะไม่ว่าจะเป็นตัณหาอาวิชชาอากุศลแม้แต่กุศลที่ยังเป็นอารมณ์ของอาสวะก็ชื่อว่าเป็นสมุทัยสัจจะเพราะเป็นเหตุที่ทำให้เกิดใน ใหม่อะไรก็ตามที่เรียกว่าเป็นเหตุให้เกิดในภพใหม่ตรงนี้เรียกว่าสมุทยาสัจจะเพราะเป็นเหตุแห่งวัฏฏะนั้นกุศลจิตแม้แต่กุศลจิตที่ยังเป็นโลกิยากุศลก็ยังชื่อว่าเป็นสมุทยาสัจจะเพราะเป็นเหตุแห่งทุกข เตภูมิกะธรรมทั้งหลายที่เหลือชื่อว่าทุกขสัจจะเหลือจากนั้นเช่นว่าวิบากกรรมชรูปปฏิสนธิในการมภูมิรูปภูมิอรูปภูมิความเป็นไปในการมภูมิรูปภูมิอรูปภูมิชื่อว่าเป็นทุกขสัจจะเพราะว่าทุกขสัจจะทุกขะก็คือทุบวกขังนะนะก็คือความว่างเปล่าของสังสารวัฏเหล่านี้วางจากความเที่ยงสุขงามยั่งยืนและอัตตาสมถาวิปัสนาคุณเครื่องที่นําออกจาก ทุกขสัจจะ น, นะเพื่อกําจัดสมุทัยสัจจะอันนั้นเป็นมัคสัจจะพันสมถะวิปัสนาเป็นมัคสัจจะนิพานที่ถึงด้วยมัคสัจจะหมายความว่าถ้าเจริญสมถะและวิปัสนาอย่างลงสู่พระนิพานมีพระนิพานเป็นที่สุดพระนิพานที่เป็นที่สุดรอบของการเจริญสมถะวิปัสนาเป็นนิโรสัจจะเป็นนิโรสัจจะทีนี้ถ้าเอามูลบท ทั้งสี่ประการเนี่ยนะมูลบทสี่ก็คือฝ่ายกุศลสองคือสมถาวิปัสนาฝ่ายอากุศลสองคือตันหาอาวิชชาฝ่ายกุศลสองคือสมถากับวิปัสนาก็มาแบ่งโดยท่ศาเนี่ยนะท่ศาก็คือโดยทิศนะโดยทิศว่าคือที่ยกทิศเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าถ้าตันหาเป็นหัวหน้ากลุ่มเนี่ยนะอะไรจะตามมา าาวิชาเป็นหัวหน้ากลุ่มและอะไรจะตามมาแล้วสิ่งที่ตรงกันข้ามกับตันหาและอวิชาเนี่ยนะอะไรคือหัวหน้ากลุ่มเช่นว่าฝ่ายสังกิเลสตันหาเนี่ยชื่อว่าปฐมธิศาอวิชาเป็นทุติยะทิศามักแปลว่าฝ่ายซ้ายกับฝ่ายขวานะศัต ร, ตรูฝ่ายซ้ายกับศัตรูฝ่ายขวาเหมือนกันแต่ศัตรูตันหาเป็นศัตรูฝ่ายซ้ายอวิชาเป็นศัตรูฝ่ายขวาแล้วสิ่งที่เป็นปฏิบัติต่อศัตรูฝ่ายซ้ายฝ่ายขวา Maybe คืออะไร สมถะเป็นปฏิปักิต่อศัตรูฝ่ายซ้ายวิปัสนาเป็นปฏิปักิต่อวิชาที่อยู่ในเป็นศัตรูฝ่ายขวาพันที่เรียกว่าอยู่ในแบ่งเป็นทิศเลยนะแบ่งเป็นกลุ่มอะไรเป็นข้าศึกกับใครใครควรจะประจันหน้าต่อใครเช่นตันหาควรมีสมถะเป็นตัวมาประจันหน้านะเป็นตัวมาละ อวิชาควรมีวิปัสนาเป็นตัวมาละเป็นตัวมากําจัดมันก็แบ่งออกเป็นสองกลุ่มด้วยกันสองทิศอ่ะ น, นะปัธมะกับทุติยะนันทิยาวัตานาที่มีมูลบททั้งสี่คือหนึ่งตันหาสองหนึ่งตันหาสองอวิชาสามสมถะสี่วิปัสนาเนี่ยนะนมันตกไปตัวสรุปว่านันทิยาวัตานายมีมูลบทสี่คือ 1. ตันหาสองอวิชชาสามสมถะสี่วิปั ส, สนานนก็เหมาะกับบุคคลสองกลุ่มด้วยกันคือกลุ่มตันหาจริตกับกลุ่มทิฏฐิจริญคือพวกมากไปด้วยตันหาเนี่ยนะพวกนี้เป็นตันหาจริญผู้ที่มากด้วยอวิชชาพวกนี้เป็นทิฏฐิจริญตันหาจริตบุคคลเนี่ยนะตันหาจริตคือเป็นผู้ที่มากด้วยตันหา โคจรนำหน้าเบื้องหน้าตันหาพาไปเนี่ยนะพวกนี้ต้องอาศัยสมถะที่เป็นปทัทธรรมทิสาละตันหาอันเป็นปทัทธรรมทิสาซึ่งเป็นมูลแห่งวัตะและอกุศสลธรรมฝ่ายตันหานั้นด้วยทุกขาปฏิปทาบรรลุราคาวิราคาเจโตวิมุตตออกจากวัตะด้วยอนาคามีผลอันเป็นที่สุดแห่งปธัธรมทสาเนี่ยนะก็ <c oughs> บุคคลใดที่มากไปด้วยตัณหาท่องเที่ยวคิดคิดอะไรความคิดทั้งหลายมีตัณหานำหน้ามีตัณหาพาไปเต็มไปด้วยความหมาว่าอะไรนะอดอยากทางความคิดหิวโหยทางความคิดร่อนไปด้วยอำนาจความต้องการทะเยอทะยานเนี่ยนะพวกนี้ก็ต้องอาศัยสมถะซึ่งเป็นปฏิปักษ์เป็นความเอิบอิ่มสมถะเหล่านี้เนี่ยนะเป็นคุณธรรมเพื่อละตัณหา พัน้าหาว่าละตันหาอากุศลธรรมใดก็ตามที่อยู่ในฝักฝ่ายแห่งตันหาอากุศลธรรมเหล่านั้นก็ชื่อว่าถูกละออกไปแต่ผู้ที่ปฏิบัติแบบนี้นะเป็นทุกข์ขาปฏิปทาปฏิบัติเคล้าน้ําตาเนี่ยนะเป็นปฏิบัติเป็นทุกข์า ท, า ท, นะ ท, ท, กทั้งนั้นอนะ่ะถามว่าทำไมปฏิบัติเป็นทุกข์เนี่ยนะ ก็เคยได้ยินไหมว่าอยากไปเที่ยวที่ไหนแล้วก็ห้ามนี่น้ำตาไหลพรากเลยนะอดไปอยางนะอยากจะไปมากแล้วไม่ได้ไปน้ําตาซึมเลยนะพวกนี้แหละเป็นพวกทุกข์ขาปฏิปทาแต่ถามว่าอยากจะไปถามว่ามันดีไหมที่ไปก็ไม่ดีเท่าไหร่แต่ก็ยังอยากไปอ่ะนะรู้ไหมว่ามันดีดีหรือไม่ดีบอกไม่ดีแต่ว่ามันอยากจะไปอ่าลักษณะเนี้ยพันธุอาการที่จะหักห้ามฝืนความต้องการความทะเยอทะยาน ความต้องการด้วยอำนาจตันหาเนี่ยต้องฝืนด้วยความยากความลำบากเนี่ยนะทวนกระแสตันหานี่ยทวนด้วยความยากความลำบากเนีอะไรนะเที่ยวก็วน่าไปฟังธรรมก็อยากกัฟังเนี่ยนะแหมถ้าไปเที่ยวนี่โสมนัสอต่อนะแต่ถ้ามาฟังธรรมนี่แหมเสียดายจังนะนะบางทีก็ฟังธรรมด้วยความอะไรนะเสียดายบางงี้นเด้อแหมถ้าไปสัหน่อยก็น่าจะดีไม่เสียหายเท่าไหร่มากอะไรเนี่ยนะพวกนี้ก็บาปอากุศลเล่นงานทางความคิดมากทันกว่าจะ ออกจากตันหาได้เนี่ยก็ต้องอนาคามีมักเนีาา่ยนะราคะวิราคะคลายราคะแล้วก็เจโตวิมุตต์บรรลุทางใจนะบรร ล, ลุด้วยใจที่เรียกว่าอนาคามีผลมันออกจากวัตตะคือการมวัตตะเนี่ยนะด้วยอนาคามีมัก Buddha. อนาคามีผลอันนี้ก็ถือว่าเป็นที่สุดสายของการละตันหาเป็นที่สุดสายของการละตันหาที่ต้องการในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏภพทั้งหลายอันนี้ก็ต้องด้วยอนาคามีมัก drew. Mm-hmm. <laughs>